Book 2 <29. S 3> <dev> 2ยี่สิเก้าที่ร้านอาหารหนึ่งรานนเวยโต๊ะนี้ว่างไหมคะเชสตัลส์ไลส์ัสดิฉันอยากได้รายการอาหารคะ่ะ p r ร š ะ u d u o ด i v ว l g e r a š t į Kun คุณมีอะไรแนะนำไหมคะค่าไก่หรือเปสูริเต้ดิฉันขอเบียค่ะ a š n o r i u a l a u s d i ฉันขอน้ำแร่ค่ะ a š n o r i u mineral novandens. ดิฉันขอน a m s ้มค่ะ อเปลนุสุลจดิฉันขอกาแฟค่ะอัชโนเรตจดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะอัชโนเรตจ u าปียนมครุนาใส่น้ำตาลด้วยนะคะปรโชสุจมดิฉันขอชาค่ะ อบสดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะอัชนรจอบาตุสุดซิตรนดิฉันขอชาใส่นมค่ะอัชนริอบาปิเนคุณมีบุหรี่ไหมคะอัรตสรชูคุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ Ar turite tur p e l e n i n น Kun m คุณมีไฟไหมคะอาร์ตูร์เตอุกเนียสเกียบตเวลีดิฉันขาดซ่อมค่ะมันท s ุกสเตชกูติสนีราชกูติสดิฉันขาดมีดค่ะมันทรุกสเตเปลูนรเปล ดิฉันขาดช้อนค่ะมันรุกเสียชั่วตัวเนื้อช u k วตัว